ข้อสังเกตบางประการและจุด ท, ที่ควรเน้นข้อที่เจทิฏฐิหรือทิศดี62เป็นอภิปรัชญาร่วมยุคสมัยพุทธกาลมีถึง62สองก็จริงแต่สรุปแล้วมีอยู่เจเรื่องเท่านั้นหนึ่งเกี่ยวกับการตายแล้วเกิดมีสองทัศนะคือพวกหนึ่งเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกอีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่เกิดสอง เกี่ยวกับสุขและทุกข์บางพวกว่าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเองดับเองบางพวกว่ามีเหตุปัจจัยสเกี่ยวกับสถานภาพของโลกบางพวกว่าโลกมีที่สุดบางพวกว่าไม่มีที่สุดบางพวกว่ามีที่สุดบางส่วนบางพวกก็ว่ามีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่สี่ เกี่ยวกับสถานภาพของสรรพสิ่งบางพวกว่าสรรพสิ่งนิรันดรบางพวกว่านิรันดร์เพียงบางอย่าง5เกี่ยวกับชีวิตหลังตายบางพวกว่าตายแล้วยังมีสัญญาคือความจำอยู่บางพวกว่าไม่มีสัญญาบางพวกว่าจะเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงห เกี่ยวกับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตบางพวกว่าการมารมเป็นเป้าหมายสูงสุดบางพวกว่าการได้ฌานระดับต่างๆเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต7อีกพวกหนึ่งมีทัศนะไม่แน่นอนไม่ยืนยันและปฏิเสธความเห็นใดๆถือว่าการปฏิเสธและยอมรับอะไรง่ายๆอาจผิดพลาดขึ้นได้ดังนั้นพวกนี้จึงไม่ผูกมัดตัวเองกับทฤษฎีใดๆ สรุปทฤษฎี62ลงให้สั้นเพียงสองประการคือหนึ่งพวกหนึ่งเห็นว่ามีตลอดไปเทียงนิรันดรบาลีว่าอัติตาและสัสตะ 2. พวกหนึ่งเห็นว่าขาดศูนย์ไม่นิรันดรบาลีว่านัติตาและอุเฉทะหรืออัสสตะพระพุทธศาสนา เป็นมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่ใช่ทั้งสองอย่างข้างต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักปฏิจจะสมุปปะบาทหรืออิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นหรือดับไปเพราะมีเงื่อนไขและหมดเงื่อนไขจะชี้ชัดลงไปตายตัวไม่ได้แล้วแต่เงื่อนไขเช่นถ้าตอบว่าเกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือสัจสตาทิฏฐิ ถ้าตอบว่าไม่เกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคืออุเชธทิฏฐิข้อสังเกตข้อที่8วิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างคือหนึ่งเอกังศิกธรรมตอบทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขตอบตรงไปตรงมา 2. อเนกังศิกธรรม ตอบมีเงื่อนไขแต่ในอังคุตระนิกายในอัตถกถ า, าแบ่งซอยออกเป็นสี่อย่างโดยกระจายอเนกังศิกธรรมออกเป็นปฏิปุชาคือย้อนถามวิพัชชะแยกความตอบและทัปนียะปัญหาไม่ควรตอบรวมเป็นสี่อย่างด้วยกันข้อสังเกตข้อที่เก้า เรื่องปาฏิหารในพระพุทธศาสนานั้นกล่าวถึงปาฏิหารสามอย่างแสดงว่ายอมรับว่าปาฏิหารมีจริงเช่นการแสดงฤทธ์ต่างๆได้การรู้ใจคนอื่นทายใจคนอื่นได้มีจริงทำได้จริงแต่มีข้อที่น่ากําหนดไว้ในใจอย่างหนึ่งคือพระพุทธศาสนานไม่ได้ถือว่าปาฏิหารเหล่านั้นเป็นจุดสูงสุดของชีวิต ตรงข้ามพระองค์กลับยกย่องว่าการแสดงธรรมให้คนฟังรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงพระองค์ไม่สนับสนุนให้สาวกแสดงปาฏิหาริย์แม้กระทั่งพระองค์เองก็ไม่ได้ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์อย่างพร่ำเพรื่อจะทรงใช้ก็ต่อเมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็นสื่อนำไปสู่อนุศาสนีปาฏิหาริย์เท่านั้น พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่บนรากฐานของอิทธิปาฏิหาริย์แม้จะตัดอิทธิฤทธิ์ออกพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลอยู่เช่นเดิมข้อสังเกตข้อที่สิบในกูตะทันตะสูตรแสดงวิธีแก้ปัญหาสังคมที่จะให้ได้ผลที่สุดคือ อาชญากรรมปราบไม่ได้ด้วยวิธีการรุนแรงเช่นฆ่าจองจำเพราะยิ่งฆ่าก็ยิ่งจะมีมากขึ้นตัวตายตัวแทนการปราบอาชญากรรมชนิดถอนรากถอนโคนนั้นจะต้องทำโดยการจัดระบบเศรษฐกิจให้ดีให้ประชาชนอยู่ดีกินดีให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้พอแก่อัตภาพนับว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ทันสมัย และใช้ได้กระทั่งทุกวันนี้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายจะปราศจากเสี้ยนหนามไม่ถูกบีบคั้นรื่นเริงบันเทิงใจอุ้มลูกฟ้อนรำไปมาสนุกสนานบ้านช่องก็ไม่ต้องปิดประตูลั่นกุญแจข้อสังเกตข้อที่11หลักปฏิจจสมุปปะบาท นอกจากจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยการเกิดและการดับแห่งทุกข์แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้อธิบายกฎแห่งปัจจัยสัมพันธ์อื่นๆได้อีกด้วยพูดง่ายๆปฏิจจสมุ ป, ปบาทเดิมเป็นหลักแสดงความเกิดทุกข์แห่งชีวิตแต่อย่างหลังแสดงความทุกข์แห่งสังคมดังนี้อีกสูตรหนึ่งคือจกักรวาติสูตรแสดงไว้ดังนี้ ผู้ปกครองไม่ปันทรัพย์แก่ผู้ยากไร้ความยากจนระบาดไปทั่วอธินนาทานการใช้อาวุธอภิชาพยาบาทมิชาทิฏฐิอธรรมราคะความละโมบมิชาธรรมะไม่นับถือพ่อแม่สมณพราหมณ์อายุวั น, นะเสื่อมหมายเหตุคือแต่ละข้อเป็นปัจจัยให้เกิดอีกข้อตามกันไปเป็นลูกโซ่นะครับ ในอคัญยสูตรแสดงวิวัฒนาการของโลกตามหลักปัจจยาการสังคมดังนี้คนเกียดร้านสะสมอาหารไว้กินต้องแบ่งปันเขตแดนกันคนโลภลักส่วนของคนอื่นเกิดการตีเตียนกล่าวเท็จทำร้ายกันต้องตั้งคนมาปกครองเพื่อความสงบเกิดกษัตริย์ขึ้นบางพวกเกิดความเบื่อหน่ายความชั่วร้ายของสังคมออกบำเพ็ญฌานในปา่า ท้องมนเขียนตำราเกิดปรามขึ้นคนมีครอบครัวประกอบอาชีพต่างๆเกิดแพทย์หรือพ่อค้าขึ้นแพทย์ในที่นี้สะกดด้วยสอสลา ย, ยักษ์กรรนะครับคนนอกนี้ทํางานเล็กๆน้อยๆเกิดสูตรขึ้นสูตรในที่นี้สะกดด้วยสอสลาสารูททหารรอเรือซึ่งหมายถึงที่ใช้แรงงานเกิดการดูถูกกันในสังคมทุกขของสังคมก็เกิด ทั้งหมดเป็นการเรียงลําดับสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าวั น, นะทั้งสี่บางพวกออกบวชเป็นสมณนะปฏิบัติธรรมก็แก้ปัญหาการแบ่งวันนะการดูถูกกันได้ทุกของสังคมก็หมดไปข้อสังเกตข้อที่สิบสอง พุทธปานิธานของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในมหาปรินิพานสูตรคือพระองค์ตั้งพระทัยจะไม่ปรินิพานจนกว่าพุทธบริษัทของพระองค์จะมีความพร้อมทุกประการคือ 1. การศึกษาพระธรร ม, มวินัยจนมีความรู้แตกฉานแลกล้าในธรรมะ 2. ปฏิบัติธรรมจนสามารถสัมผัสผลอันควรแก่การปฏิบัติ 3. สามารถแสดงธรรมได้ดีถ่ายทอดให้คนเข้าใจแจ่มแจ้ง 4. เมื่อมีผู้กล่าวจ่วงจับหรือให้ร้ายบิดเบือนพระศาสนาก็สามารถชี้แจงขจัดปัดเป่าให้หมดไปทำการปกป้องพระศาสนาไว้ได้ข้อสังเกตข้อที่ 13. สูุกระมัททวะ ที่นายจุนทะถวายพระพุทธเจ้านั้นเราแปลกันว่าเนื้อสุ ก, กรอ่อนแต่น่าจะไม่ใช่ในอัธกถาตีความไว้สามในคือหนึ่งเนื้อสุ ก, กรอ่อน 2. ข้าวหุงด้วยนมโค 3. ยาสมุนไพราบางท่านว่าเห็ดไม้จันข้อหน้าเป็นไปได้น่าจะเป็นข้อสาม โปรดอ่านพุทธศาสนาทัศนะและวิจารณ์ของผู้บรรยายประกอบคือท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงษ์วรรณปกหมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับหมายเหตุผู้อ่านขอแทรกเรื่องสุกรามัทวะไว้สักนิดนะครับสำหรับข้อนี้ท่านสเทียนโพธินันทะผู้ได้รับฉายาว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกอย่างยิ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ท่านกล่าวไว้ประมาณว่าสุกรามัทธวะนี้เป็นอาหารพิเศษที่ปรุงคล้ายเป็นตำรับยาที่ทําเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเหมือนเป็นยาเฉพาะโรคเฉพาะตนที่คนอื่นไม่ควรกินไม่เหมาะกับคนอื่นและชื่อเรียกก็เป็นชื่อเฉพาะเหมือนชื่อตำรับยาสมุนไพรทั่วไปคาที่ว่าแม้แต่เทวดาก็ยังไม่เหมาะจะบริโภคนั้นเป็นเพียงสนนัมวลบาลีเท่านั้น หมายเอาว่าไม่เหมาะกับคนอื่นนอกจากพระพุทธองค์เท่านั้นเรื่องภาษาในพระไตรปิฎกนี่นะครับที่แปลกันมาท่องจํากันโปรดเข้าใจว่าหลายคําเป็นสำนวนเท่านั้นไม่ได้แปลาตามนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นคําว่าห้าร้อยที่ไม่ได้มีห้าร้อยจริงๆแต่หมายถึงมากเอาที่คนไทยเข้าใจง่ายก็เช่นโจรห้าร้อยไม่ได้หมายว่ามีห้าร้อยคนจริงๆ จึงโปรดทำความเข้าใจให้กระจ่างก่อนจะยึดมั่นกันจนเกินเลยและเข้าใจผิดความหมายจริงแม้จะท่องพุทธพจน์ได้ครบไม่ตกหล่นก็ตามนะครับข้อสังเกตข้อที่ 14. มหาปุริสารษนะในพระไตรปิฎกคือลักษณะสูตรเป็นข้อที่เป็นไปได้เพราะไม่มีลักษณะอะไรเกินเลยดังที่หนังสือรุ่นหลังเขียน เช่นมีชิวหาใหญ่หนังสือรุ่นหลังเขียนว่ามีพระชิวหายาวตวัดเลียรอบท้ายทอยได้เป็นต้นขอนำมาลงไว้เพื่อศึกษาพิจารณาดังต่อไปนี้หนึ่งพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีคือเรียบงาม 2. ณฝ่าพระบาทมีจักมีซี่กงบริบูรณ์ 3. สันพระบาทยาว 4. พระองคุลียาว 5. ฝ่าพระหัดฝ่าพระบาทนุ่ม 6. พระบาทและพระหัดลายดุจตะขาย 7. พระบาทเหมือนสังคว่ํา 8. พระชงเรียวเหมือนแข้งซาย 9. พระหัดทั้งสองยาวยืนคลำถึงพระชานุ 10. พระคุยหะเรนในฝัก 11. อ พระชวีดังทองส2องพระชวีละเอียด 13. พระโลมชาติเกิดขุมละเส้นส4พระโลมชาติปลายช้อนขึ้นขดเป็นทักษิณาวัตสิบหพระวรกายตรง 16. พระมังสะเต็มในที่เจ็ดสถาน 17. กึ่งพระกายท่อนบนเหมือนท่อนหน้าของสีหะ 18. ระหว่างพระอังสะเต็ม ส9วาเท่ากับพระวรกาย 20. พระสอกลม 21. อลายเส้นประสาทรับรสอาหารอย่างดี 22. พระหนุดุดคางราชสียีสพระทนสี่สบี่พระทนเรียบเสมอ 25. หพระทนไม่ห่าง 26. พระถาทะขาวงาม 27. พระชิวหาใหญ่ 28. ปพระสุระเสียงไพระดังเสียงพระพรม 29. พระเนตรดำสนิท 30. ดวงพระเนตรดุดตาโค 31. ออุณาโลมขาวอ่อนเกิดระหว่างพระขนง 32. สองพระเสียนดุดประดับกรอบพระพักข้อที่น่าสังเกต สุวรรณวันโนราชวีดังทองคือผิวเหลืองไม่ขาวเหมือนฝรั่งหรืออารยันจึงมีผู้สังเกตว่าพระพุทธองค์ไม่ใช่อารยันหรือฝรั่งแท้คงเป็นเชื้อสายมงกวเลียนส่วนนี้เป็นเพียงข้อเสนอพิจารณาเท่านั้น